เมื่อวานก็ได้กล่าวถึงประวัติของท่านพระมหากษัตริยในชาติหนึ่งนะชาติที่เกิดในยุคที่ว่างจากาศาสนาของพระผู้มีพระภาคข้อความที่ตอนถึงพระราชาที่เป็นพระราชาที่เกิดจากราชชรสไปเกยซึ่งสมัยนี้ไม่ต้องหาแล้วพระรา ช, ชรสมาเกยยุคนี้แย่แต่ว่าสมัยก่อนนี่มีผู้ที่ที่มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่จริงๆ แล้วก็ราชรสก็ไปคิด ว, ว่าไปนอบน้อมให้เสร็จแล้วท่านก็ได้ครองเมืองทีนี้หลังจากที่ครองเมืองมาระยะหนึ่งมเหสีซึ่งเป็นคนที่มีอัธยาศัยพิจารณาเรื่องกรรมเป็นปกติก็ได้เตือนพระราชาว่าที่พระองค์ได้มาเป็นพระราชามีสมบัติมากมายมหาสารเหล่านี้ก็เพราะบุญเก่าวนะเพราะฉะนั้นขอให้พระราชาเนี่ยทบุญบ้าง พระราชาก็บอกโอ้ยจะไปหาเนื้อนาบุญที่น้อยยังไงท่านก็เลยบอกหาเนื้อนาบุญไม่ได้มาเหสีก็บอกว่าในโลกนี้หรือว่าในชมพูทวีปไม่ว่างเว้นจากพระรหัส่เมื่อไม่ว่างเว้นจากพระรหันถ้ท่านก็เลยให้คนเนี่ยเตรียมสเสบียงเตรียมอาหารเพื่อที่จะทำบุญแล้วนางก็จะมาทานอุโบสถศีลแล้วก็ไหว้ไปในทิศ ต, ตะวันออก ถ้าหากว่าพระอาหารหันต์มีในทิศ ต, ตะวันออกก็ขออาราธนามารับอาหารของเราด้วยเถอะนะก็ไม่มีว่างไปก็เปลี่ยนทิศไปเรื่อยจนถึงในทิศด้านทิศเหนือในด้านทิศเหนือนี่จะมีภูเขาส่วนใหญ่ที่ประเทศอินเดียเนี่ยด้านทิศเหนือเป็นเป็นภูเขาใช่ไหมจนพอแล้วก็ไหวไปในทางทิศอุดอรทีนี้ในทิศอุดอรนั้นมีพระปจเจ ก, กับพุทธเจ้าชื่อว่ามหาปฐม ผู้เป็นใหญ่กว่าพระประเจกผูพุทธเจ้าห้าองค์บุทของนางปธุมบดีนางปทุมบดีก็คืออดีตชาติของพระอุบลวรรณเทรีในยุคนี้เนี่ยนางปทุมบดีเนี่ยมีลูกห้าร้อนะฟังคำนวนให้ดีนะมีเรื่องต้องอธิบายยาวเียแต่เอาไว้ก่อน แต่สรุปว่านางปทุมบดีมีลูกห้าร้อยนางปทุมบดีก็คือท่าในอดีตชาติก็น้องสะพายของของพระมเหสีองค์นี้นั่นแหละก็คือเป็นอดีตในอดีตชาติก็น้องสาวของพระราชาพระ อ, องค์นี้นะคือชาติอดีตชาติก็คือสมัยที่เอาโครนใส่บาดอ่ะเพราะพระมเหสีองค์นี้แหละที่ไปแย่งบาดของน้องน้องผัวใช่ไหมเอาไปเททิ้งแล้วก็ตักโครนใส่บาดแถมยมเคยขนาดนั้นไหม ไม่เคยนะโอ้ยสาธุดีแล้วเพราะฉะนั้นพระประเจกกับพุทธเจ้าห้าร้อยรูปซึ่งอยู่ในป่าหิ ม, มพานต์หรือหิมมวันวนี่นะอันพระเทวีนิมนต์แล้วเหมือนอย่างนั้นพระประทุมก็ได้เรียกพระประเจกกับพุทธเจ้าผู้เป็นน้องมากล่าวว่าท่านผู้นิรุุกทั้งหลายพระราชานันทะทรงนิมนต์พวกท่านขอพวกท่านจงรับนิมนต์ของพระ อ, องค์เถิด พระปเจกับพุทธเจ้าเหล่านั้นรับนิมนต์แล้ววันรุ่งขึ้นล้างหน้าที่สาอนโนดะเหาะมาลงณนะประตูด้านทิศอุดอรคนมีฤทธิ์มีบุญเนอ ะ, นอะพวกมนุษย์ก็พากันไปกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระองค์คู่เจริญพระปเจกับพุทธเจ้าห้าร้อยมาแล้วพระเจ้าค่ะพระราชาพร้อมกับพระเทวีก็เสด็จไปไหว้แล้วรับบาดนิ ม, มนต์พระปเจกับพุทธเจ้าให้ขึ้นบนปราสาท แล้วถวายทานแก่พระประเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายบนปร า, าสาทครั้นเสร็จพัฒกิจแล้วพระราชาทรงมอบณนะบาทมูลพระสังกระพระเทวีก็ทรงมอบณนะบาทมูลของพระสังขาว ก, กะทรงให้ทําปฏิญญาว่าปฏิญญาก็คือลักษณะประวรณาหรือนิมนต์ว่าถ้าคุณเจ้าทั้งหลายจกไม่ลำบากด้วยปัจจัยข้าพเจ้าทั้งหลายจกไม่เสื่อมจากบุญขอพระผุนเจ้าทั้งหลาย จงให้ปฏิญญาเพื่ออยู่ณที่นี้ตลอดชีวิตของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดนถ้าหากว่าท่านอยู่ที่นี้ปัจจัยสี่ไม่ร้อนรอกจีวปรปัจจัยสีคือปัจจัยเครื่องเกื้อกูลอุปการะต่อชีวิตก็คือหนึ่งจีวรคือเครื่องนุ่งห่มสองอาหารนะฮะอาหารสามที่อยู่อาศัยสี่ยารักษาโรค ถ้าหากว่าพระกุณเจ้าอยู่ที่นี่นะจะไม่ลําบากและโยมจะไม่เสื่อมจากบุญก็คือลักษณะพระโยมนี่ก็ไปปวรณาไว้เพราะฉะนั้นขอให้ท่านอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตของข้าพเจ้าไม่ได้ตลอดชีวิตของข้านะแต่ตลอดชีวิตของโยมแล้วก็สร้างที่อยู่โดยอาการทั้งปวงก็คือสร้างบรรณศ า, าลาห้าร้อยที่บรรณเนี่ยแปลว่าใบไม้สร้างกระท่อมย่าคาถวายท่านนั่นแหละ แล้วก็ที่จงกรม500ที่ในพระอุทยานที่เดินกลับไปกลับมาเพื่อบริหารผู้ที่มีความเข้าใจก็สามารถที่จะเจริญกุศลธรรมในขณะที่เดินกลับไปกลับมาเพราะว่าการเจริญกุศลธรรมแต่ถ้าพระประเจกับพุทธเจ้าเนี่ยท่านเดินเพื่อเข้าส่วนใหญ่ท่านเดินเข้าฌานเข้าอะไรของท่านได้หมดแหละแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพระอระหันต์เดินทำไมใช่ไหมถ้าเดินถ้าของพวกเราก็เอาเอ า, เอาอะไรมาจาับ ถ้าหากว่าเดินกลับไปกลับมาถ้าเราจะเดินนี่อะไรไปสงเคราะห์สัมปชัญญะสี่กนเดินทําไมใช่ไหมถ้าหากว่าคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายเลยถามว่ามีโรคมีโทษไหมมีนั่นแหละท่านการเดินจงกรมอันดับแรกศาสตรกะสัมปชัญญะก็ลักษณะกายบริหารนี่เลยคือศาสตกะของการเดินถามว่า เดินไปแล้วเนี่ยขนาดที่เดินกุศ ล, ลจิตเกิดไหมเหมาะไหมสถานที่ที่เดินเนี่ยปลอดภัยขนาดไหนเป็นต้นเนี่ยนะแล้วสามารถเดินเจริญกุศ ล, ลได้ไ้ยอย่างนี้เป็นส ป, ปายะสัมปชัญญานะ ไ, ไม่ใช่ว่าโหไปเดินตากแดดจ้าจ้าจ้ า, จาเดี๋ยวก็มีปัญหาเรื่องสายตาเนี่ยถ้าตากแดดนานๆตาก็เสียเหมือนกันแล้วต่อไปอีกโคจระสัมปัญญะ ในขณะที่เดินนั้นสามารถที่เจริญพุทธคุณได้ไหมหรือเดินอยู่นั่นแหละเจริญเมตตาไหมเป็นต้นเรียกว่าโคจระสัมปัญญาแล้วในขณะที่เดินเนี่ยนะเป็นเป็ น, ปนอะไรเดินอะไรเดินเป็นจิตชาวายโย ธ, ธาตเกี่ยวกับการเดินเันจิตชาวายโย ธ, ธาซึ่งมีจิตเหล่านี้เป็นสมุทฐานผู้ที่มีความเข้าใจถึงจิต จิตตะชาวายโยธาตเป็นการจิตที่มันสามารถแผ่ธาตุลมไปทั่วสารพรางกายแล้วสามารถทําให้ขยับก้าวเท้าแต่ละก้าวแต่ละก้าวออกไปวันนี้นี้เราเดินกี่ก้าวแล้วเดินด้วยจิตชนิดไหนบ้างอ่ะ น, นะถ้าผู้ที่ใส่ใจในจิตตะชาวายโยธาสัมากๆจะสังเกตในจิตนั้นด้วยนะก็คือถามนี้รู้แล้วว่าส่วนใหญ่ไม่มีหรอกคือที่ถามเนี่ยเพราะให้ เวลาเดินจะได้ปรารบเรื่องนี้สันหน่อยก็ส่วนใหญ่ไม่มีอยู่แล้วไม่ไม่ไม่ได้คิดว่ามีหรอกแต่คิดว่าน่าจะเจริญนะนะถ้าไม่ปรารบเลยถามว่าเมื่อไหร่จะเกิดถ้าเราไม่ไม่ตระหนักว่าเดินวันนี้เนี่ยจะต้องปรารบหมวดนี้ให้ได้สักขณะหนึ่งก็ยังดีทำ่มยอย่าง น, น้อยๆเนี่ยพอลุกขึ้นไปเดินไปขึ้นรถนะปรารบสันหน่อยใช่ไหมในขณะที่เดินหรือนั่งอยู่เนี่ยนะจิตนะมันส่งให้นั่งอยู่ ถ้าคนที่จิตอ่อนกำลังเนี่ยนั่งสังงะตสังงกอยู่เคยเห็นไหมคะนั้นนั่งคอพับซ้ายพับขวาเนี่ย ถ, ถ, ถ้าถ้าคิดว่าจิ ต, ตชาวายโยอยู่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แค่คอพับแต่ถ้าจิตวายโยหมดเลยล้มแผลไปเลยเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าเราสังเกตบ่อยๆว่าจิตเหล่านี้ก็มีปัจจัยเหมือนกันแต่จิตตัวนี้เป็นสมุทฐานให้จิตชาวายโยเกิดขึ้นเอ่อรูปที่เป็นจิตชาวายโยฐานนี่นะครับ ก็เป็นไปตามกําลังของจิตถูกไหมครับเจนพานถ้าจิตอ่อนแอหรือว่าจิตไม่แข็งแรงไม่เข้มแข็งนะครับเจนพานไอ้รูปจิตตชรูปอันนี้มันก็ปวกเปียกหรือว่าก็เหนื่อยราเชื่องชาไปด้วยเจนพานแต่ถ้าหากว่าจิตนั้นเข้มแข็งจันทร์าไ อ, อ้กับกริยาก็ฉับไวเช่นพานก็เจนพานก็เป็นงัินใช่ไหมครับเจนพานเช่นสมมติว่าถ้าหากว่าจิตตชวายโยธานั้นเป็นอกุศลจิตอย่างแรง เช่นมีการปล่อยมวยกันชงมวยกันใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าจิตตชรูปนั้นว่องไวแล้วก็รวดเร็วเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับเ น, นอันถ้าจิตตชรูปเกี่ยวกับโทสะก็คือเรื่องมวยดูมวยแล้วจะรู้ว่าเออเนี่จิตตชรูปเกี่ยวกับโทสะถ้าหากว่าจิตตชารูปเกี่ยวกับโลภะก็คือการร่ายรำจะว่าธรรมดานะเขาดูการร่ายรำบางท่านมารรลุเป็นพระอรหันต แต่หลายท่านส่วนใหญ่โลภะทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นในในขณะนั้นนนั้สา ม, มารถที่จะรู้ได้ว่าผู้ที่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยด้วยจิตชนิดใดเป็นต้นนั่นแหละถ้าอย่างนั้นนี่นะครับผู้ที่สูงอายุใช่ไหมฮแสดงว่าจิตก็ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วอ่ะคือตรงนี้เนี่ย<ะ>สูงอายุเนี่ยจิตไม่ใช่ไม่แข็งแรงแต่เพียงแต่ว่าทําจิตให้อ่อนแอเอง เพราะว่าความคิดเนี่ยนะจะมีกำลังหรือไม่มีกำลังก็อยู่ที่คิดเอาอ่ถ้าหากว่าผู้ใดที่สามารถเจริญกุศลธรรมแล้วทำให้จิตสดชื่นอยู่ตลอดพระพุทธเจ้าบอกว่าสมัยที่พระองค์อายุแ0ดิกับสมัยตัสรู้ใหม่ๆไม่ได้ต่างกันเลยถึงจะหามไปบนเตียงสภาพจิตก็ไม่มีความแตกต่างกันคือในลักษณะของเช่นพวกปีติเป็นต้นท่นผู้ที่สูงอายุส่วนใหญ่ที่อ่อนแอก็คือขาดคุณธรรมประเภท ปีติขาดความกระชุ่มกระชวยฉะนั้นกุศลธรรมเนี่ยเกิดน้อยพอเกิดน้อยปั๊บก็ปรารบถึงวิบากและกมมรรมชะลุที่ห่อเหี่ยวเป็นต้นนะนะกมมรรมชะลุเช่นจกักรุปปัสาะธาที่เสื่อมโทรงโซตาปสาัสสะธาที่เสื่อมโทรงอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นปฏิกันิมิตแต่ข้อมันก็เพราะว่าพูดถึงว่าจิตรชรลุกนั้นเนี่ยไม่ใช่มีจิตเป็นปัจจัยเดียวนะครับ กาที่จิตต่ชรูปจะเข้มแข็งจะว่องไหวหรือเชื่องช้านั้นเนี่ยปัจจัยอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมีแต่ทีนี้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นั้นคนสูงอายุจะปารบถึงความสูญเสียเมื่อปารบถึงความสูญเสียในตาจากักรุปภาษาท่ก็เสือสาาเส่อมลงโสตประสาททก็เสื่อมลงกายยะภาษาท่ก็เสื่อมเป็นตน้นเมื่อเสื่อมลักษณะนี้แล้วก็ทําให้ท้อแท้ท้อถอยจิตก็เป็นโทสะซะส่วนใหญ่ โทสะเนี่ยก็เป็นจิตที่ไม่มีความสามารถพอ ท, ที่จะเป็นปัจฉาชาตปัจจัยที่มีกําลังให้แก่รูปให้มีคุณภาพดีขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะเป็นปัจัยแก่จิตตชรูปที่ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญมากต่อต่อรูปฉันจิตตัวนั้นเนี่ยพระ อ, องค์บอกว่าจึงเป็นอธิปฏิปัปจจัยต่อจิตตะชรูปเป็น เป็นอาหารปัจจัยต่อจิตตชรูปเป็นอินทรียะปัจจัยต่อจิตตเชรูปผู้ที่สามารถอบรมจิตทารู้ว่าจิตขณะนี้ห่อเหี่ยวควรเจริญกุศลธรรมประเภทใด น, นะถ้าจิตท้อแท้ท้อถอยควรเจริญกุศลธรรมประเภทใดถ้าหากว่าผู้ที่เขาอบรมทานันกุศลมามากเขาระลึกถึงการให้ทานบ่อย จากานุสติกรรมาฐานก็จะเกิดขึ้นและลึกถึงการให้ถึงใจที่เคยศียสละที่เคยทำประโยชน์โอไล่ถ้าถ้าเหมือนกับสมัยนี้ก็เอาอนุโมทนาบัตรมานั่งคิดนั่งคิดนะพอศศูนย์หไปทำกุศลอยู่ที่นูน้นมันจะคิดไปศูนย์หนึ่งทำบาปที่โน้นเนี่ยเป็นอย่างี้กแ น, น, น, น, นก็คือ น, นึกถึงกุศลที่เคยทำมาเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆในชีวิตของเราเราสร้างคุณูปการอะไรเกิดขึ้นบ้าง เสร็จแล้วปุ๊บจิตมันก็ค่อยๆกระชุ่มกระชวยขึ้น น, นนะพอเหมือนกับการระลึกถึงทานนันเนี่ยเป็นอาหารทำให้เกิดปีติหรือไม่ก็ผู้ที่ถึงไตรสารณาคมอย่างแรงกล้าก็ตามระลึกนึกถึงพุทธคุณ น, นะถ้าหากว่าใครเคยอ่านเทรคถานนะนางอัมพปาลีเนี่ยนะท่านเอาความชรานะมาเป็นอาหารในการพิจารณาธรรมท่านก็ปรารถนา เมื่อก่อนนี่นิ้วก็งามงามแต่ขณะนี้มันก็เหี่ยวไปเหมือนเรียกว่อุปมาของท่านเสร็จู้คําสอนพระพุทธเจ้าจริงแท้ไม่ได้คิดแบบคนท้อแท้นะแต่คิดแบบเข้าใจแล้วยกย่องพระพุทธเจ้าท่านฉลาดคําสอนของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นเป็นจริงจริงๆท่านเปล่งด้วยความสมนัสขึ้นท่านปา ร, รบความชราของท่านไม่ได้ปารบด้วยอกุศลไม่ได้ปา ร, รบด้วยโทสะแต่ปา ร, รบถึงความชราเหล่านั้นด้วยทราบซึ้งในพุทธคุณ เจริญพุทธานุสติด้วยเจริญพวกกรรมฐานด้วยปารลความชราอะไรชราก็วิบากกรรมชรูปนั่นแหละตอ น, นท่านปารลนั้นเจริญธรรมะไปด้วยเจริญพุทธคุณสลับกับการเจริญวิปัสสนาตอนท่านปารลอย่างนั้นท่านก็เป็นพระอรหันด้วยตอนหลังท่านก็เป็นพระอรหันเพราะคาปารลเหล่านั้นเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ฉลาดคิดถ้าคนสามารถฉลาดคิดนะคิดให้ยิ้มแย้มแจ่มใสขณะนี้ก็ได้ คิดให้มันบึง้งตอนนี้ก็ได้คิดเอาทั้งนั้นแหละความคิดอะ่ะแต่จะคิดเหล่านี้นะคนจะคิดดีหรือคิดชั่วก็อยู่ที่ปัจจัยนะคนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับพระธรรมคาสอนฟังพระธรรมคำสอนมากคำสอนที่เขาฟังอบรมไว้เนี่ยพอที่จะเป็นนามอาหารปัจจัยในขณะนั้นได้หรือสามารถพอที่จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยที่เคยสะสมมาทาให้คิดที่ดีๆขึ้นใช่ไหม ก็ฟังเสียงเหมือนกันเนี่ยคำเหล่านี้เนี่ยอีกคนหนึ่งฟังแล้วเมตตาจิตเกิดอีกคนหนึ่งฟังแล้วโทสะจิตเกิดเพราะจิตนี้ปัจจัยที่สําคัญส่วนหนึ่งของจิตก็คือปกตูปะนิสยปัจจัยแปลว่าแปลว่าอะไรปกตูุแปลว่าเหตุธรรมที่ทําไว้แล้วด้วยดีอ่ะเหตุอันนั้นเนี่ยไม่ธรรมดานะเหตุไม่ใช่เหตุหกนะแต่หมายความว่าจิตสภาพจิตก่อนก่อนหน้านั้นมาเนี่ยแล้วแต่การสะสม เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะให้ชีวิตของเราพรุ่งนี้กระชุ่มกระชวยกระชุ่มกระเชื่นขึ้นนะเราจะขณะนี้เนี่ยเป็นบงเครื่องบ่งบอกว่าพรุ่งนี้เราจะยิ้ Boom, แมแย้มแจ่มใสขึ้นหรือพรุ่งนี้เราจะท้อแ ท, ท้ท้อถอยถ้าวันนี้เราคิดท้อพรุ่งนี้มันจะท้อกัอนนี้เรื่อยๆเพราะไอความคิดท้ อ, อ น, นี้เนี่ยถ้ามันท้อวันนี้ส0พรุ่งนี้จะท้ออีกส0เพิ่มเป็น20่มันก็ท้อเรื่อยๆลดลดลดคุณภาพไปเรื่อย นั้นความโรคชาราเนี่ยนะมันก็จะเข้ามาเยือนขึ้นเยือนขึ้นเยือนขึ้นเยือนขึ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเจริญกุศลธรรมเกื้อกูลต่อปีติสัมโพชงไปต้นด้วยการเจริญอนุสติทั้งสิประการมีการตามรละเลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าและเลึกถึงคุณของพระธรรมใช่ไหมถ้ายิ่งคนที่ปารกในความชารามากๆเนี่ยน่าจะเป็นกำไรชีวิตด้วยซ้ำไปอ่ ต่างจากคนที่มัวเมาเพราะว่าคนที่มัวเมาในความเป็นหนุ่มความเป็นสาวมัวเมาในชีวิตมัวเมาในทรัพย์คนเหล่านี้คิดเราโอฉันยังหนุ่มอยู่นะยังไม่แก่ทรัพย์สมบัติกว่ายังมากตระกูลก็ยังดีโอ้ยคงอยู่อีกนานอ่ะขับรถสิ่งบัตรเหตุตายไปเลยตีคนหนึ่งก็บอกโอ้ยอะไระไรเราก็จะหมดแล้วนะชาราก็เข้ามาเยือนเต็มทีรีบให้ทานใหญ่เลยมันเขาบอกว่าคนที่พิจารณาสังเวชวัตถุมากๆกลับเป็นคนที่เจริญกุศลได้ดี เมื่อเจริญกุศลได้ดีก็ไปได้ดีเลยเพราะส่วนนี้แล้วแต่การอ บ, บรมเรียกว่าเป็นการฉลองฉลาฉล อ, ลอความชลาใช่ไหมครับเชิญผ่เพราะว่ า, วาการเจริญกุศลเนี่ยเป็นการฉลอความแก่ได้เลครับเชิญผ่คือช่วยหน้าเยอะน ะ, ะบางคนเนี่ยจะน่าจะดูอ่อนกว่าวัยตั้งเยอะเพราะสภาพจิตเขาดีแต่ถ้าหากว่าจิตของบางคนท้อแท้น่อายุ20 30 40ี่สบนี่ยังอายุหกสิแล้วอะ่ะ เพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้นะชีวิตของเราส่วนหนึ่งถ้าผู้ที่ศึกษาพระธรรมแล้วเนี่ยถ้าโดยประมาตธรรมแล้วในชีวิตของเราเนี่ยมีกี่อย่างประมาตธรรมในตัวเราเลยมีกี่อย่างอ่ะสามอย่างหนึ่งจิตสองเจตสิกสามรูปจิตในพวกเราทั้งหมดมีกี่ประเภทเอานะเอาใหม่นะเอาโดยประโยคนเอาประโยชใหม่เอาเอาเช่นเอาอะไรดีเพทานาอ่ะนะ เอาโลกิย า, าโลกุตระจิตของเราประเภทโลกิยะโดยกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรแล้วก็โลกุตระจิตเราประเภทกามาวจรและเป็นกามาวจรกามาวจรแบ่งออกเป็นสี่ประเภท1นกุอาคุสนสองกุศลสามวิบาก4ี่กิริยาถ้าเป็นอาคุศลของพวกเราสามารถเป็นได้กี่ดวง โอ้เอาสองเลยนะเต็มยศเลยแล้วที่เป็นวิบากกี่ดวงวิบากนะอภุษลวิบากเจุดอษณวิบากแปดมหาวิบากอีกมหาวิบากบางคนไม่ถึงแดหรอกถ้าปฏิสนธิด้วยอุเบกขาเนี่ยมหาวิบากโสมนัสเกิดไหมเกิดมาทำตาทาบ้างเป็นข้างคขาวบ๊บๆปแป๊บไปงั้นอะไรนะ แล้วมหากุศลนะสรุปแล้วนะกุศลอกุศลและวิบากในจิตของเราแบ่งออกเป็นสามประเภททีนี้ในจิตสามประเภทนี้กุศลอากุศลวิบากเนี่ยกิริยามันมันอโรหาริกแทบจะไม่มีเลยมันน้อยอ่ะมันแทบจะอโรหาฤทิกอ่ะน้อยมากไอมนโนทวาราวัชณะตัวนั้นเนี่ยนะมันแล้วแต่จิตดวงก่อนก่อนเป็นอุปนิสัยให้ เพราะฉะนั้นถ้าจิตก่อนหน้านั้นเป็นกุศลมโนทวาราวชนะมันก็จะเป็นปัจจัยให้กุศลเกิดขึ้นถ้าตั้งจิตไว้ดีมโนทวาราวชนะจิตจะเป็นอุปนิสสะเออเป็นอนันตระปัจจัยให้กุศลเกิดถ้าตั้งจิตไว้ไม่ดีมโนทวาราวชนะตรง น, นั้นจะเป็นอนันตระปัจจัยให้อกุศลเกิดนั่นแหละเพราะฉะนั้น <h az im> ไปไปให้ความสําคัญมากไม่ได้ สำคัญที่ชาวนะเั้นชาวนะของพวกเรามีอยู่กี่ชาติสองชาติกุศลกับอกุศลทีนี้เมื่อมีสองอย่างขนาดนี้เข้าเนี่ยถามว่าอะไรคือสาระถ้าจิตนะจิตชนิดไหนเป็นจิตที่เป็นสาระของชีวิตเราชาวนะจิตเมื่อเป็นชาวนะเนี่ยชาวนะก็แบ่งเป็นกุศลและอกุศลถามว่าในกุศลและอกุศลเนี่ย เราหาเรื่องอะไรมั่งที่มาคิดให้มันเป็นกุศลให้มันเกิดในจิตเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยให้มันต่อเนื่องระยะหนึ่งเนี่ยเราเราเคยคิดลักษณะนี้บ่อยไหมไม่ค่อยเคยครับเช่น้านเอ๊จะตั้งยังไงว่าวันนี้เนี่ยสาจะให้ชาวนะจิตเป็นกุศลสักห้านาทีติ ด, ต, ดติดกันเนี่ยใช่ไหมสิบนาทีติตดตดกันเออเนี่ยจากนี้นั่งรถไปถึงบ้านเนี่ยจะคิดอะไรนะให้มันเป็นกุศลสักสิบนาทีก็ยังดีจากนี้ไปถึงบ้านเอถ้าผมอ่า ท่องพระสูตรในใจนะทบทวนท่องพระสูตรอยู่ห้านาทีเนี่ยเป็นนะครับก็เป็นกุศลหนาทีคือคือต้องลักษณะกุศลต้องนั่งนะ้นศรัทธาเป็นต้นต้องเกิดใช่ไหมศรัทธาแล้วก็สติหรือเฮริโอตปะเกิดขึ้นหรือเอาศรัทธามาเด่นก็ได้ถ้าปารลลักษณะนี้บ่อยๆข้อกุศ ล, ลจิตเกิดขึ้นในการตรึกถึงพระสูตรสูตรใดสูตรหนึ่ง อ น, นะถ้าหากว่าผู้ที่ตรึกพระสูตรบ่อยๆนะจะมีโอชารดเกิดขึ้นเหมือนกันก็บอกว่าผู้ใดที่ปีติปราโมทอ่ะ น, นะที่เกิดจากการตรึกถึงพระสูตรเหล่านั้นบ่อยๆพอตรึกระยะหนึ่งปั๊บปีติปราโมทจะเกิดง่ายอะ น, นะแล้ผู้ที่ฉลาดคิดเอาพระสูตรมาคิดเนี่ยแทนที่จะไปคิดเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ใช่ไหมก็เอาพระสูตรมาคิดแทนขณะนั้นก็เป็นกุศลบางคนเนี่ยนอนไม่หลับ ถ้านอนไม่หลับเอ๊ะเอาเวลาที่ไปคิดฟุ้งซ่านเนี่ยอ่านธรรมะมันก็เสียเวลาเท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมชั่วโมงหนึ่งอ่านธรรมะชั่วโมงหนึ่งหัวกุศลจิตเกิดเนื่องชั่วโมงหนึ่งเอ๊ะอ่านไม่เข้าใจมันมันเครียดเหมือนกันนะเห็นไก็ถ้าไม่เข้าใจนี่ส่วนใหญ่สูตรที่เข้าใจไหมคุณหาพระสูตรที่เข้าใจส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งเราตั้งจิตให้ดีสิอ่าตั้งจิตในลักษณะว่าขณะนี้เราฟังพระธรรมอ่าบางอย่างเป็นวิสัยของพระผู้มีพระภาค เราก็ตั้งจิตในลนักษณะศรัทธาถ้าเราตั้งจิตในลนักษณะศรัทธาโอ้นี่ก็เป็นคําสอนของพระผู้มีพระภาคนี้ก็เป็นคําสอนของพระผู้มีพระภาคโอ้นี่ความลึกซึ้งของคําสอนถ้าเราบอกโอ้อย่านี่จิตเราจะเสียนะโอ้นี่เป็นความลึกซึ้งของคําสอนนี่เป็นคำภีระไม่เรานี่บุญ น, น้อยปัญญาของเราน้อยไม่สามารถที่จะเข้าใจนะนี่เราบอกเอ๊ะปัจจัยอะไรนะจะให้เรามีปัญญาขึ้นสามารถที่จะเข้าใจพระธรรมคําสอนเหล่านี้ได้ เพราะว่าเราจะทอรหรือไม่ทอก็อยู่ที่คิดเอาอะคิดให้ทอก็จะทอการอ่านถ้าทำก็เหมือนกันถ้าเราสามารถที่จะตั้งจิตไว้อย่างดีก็สามารถที่จะอ่านได้อย่างต่อเนื่องแต่การที่จะทําจิตเป็นกุศล น, นี่นะฮ ะ, ะที่ในลักษณะการเจริญเมตตานะครับก็ลองก็ลอ ง, ลองเวลานอนไม่หลับก็ลอง คิดถึงบุคคลที่เราเกี่ยวข้องอ่ะแต่ละคนนี่มีคนเกี่ยวข้องเยอะนะอย่างเราเนี่ยเจริาทั้งญาติทั้งเพื่อนทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งอะไรนี่เยอะแยะเลยใช่ไหมครับเจริาทั้งขาดขาดบริวารอะไรทั้งหลายเนี่ยทํางหมดเขามีเนี่ยนะฮะเจริญภาโหเรียกว่ามีคนเป็นรอยๆนะเจริาแล้วเราลองเพ่งถึงหาความดีของบุคคลนั้นนะ่แต่ละคนไล่ไปเรื่อยเรื่อยนะครับผมว่านานเหมือนกันนะดีและ อ, อ, อีกในหนึ่งนะก่อนที่จะคิดลักษณะนี้เราอาจจะ หาคนที่เราประทับใจสักคนหนึ่งเช่นคนที่เราได้ฟังเขาว่าคนนี้ดีมากเลยแค่นึกถึงชื่อปั๊บเนี่ยเรายิ้มได้เลยอ่ะอย่างเงี้ยเคยมีไหมคนดีขนาดนั้นอ่ะที่ที่ในความคิดของเราคิดถึงคนนี้เขาดีจริงๆเลยนะเขามีจิตใจที่เสียสละนึกถึงคนนี้สักพักหนึ่งเห็นความดีของคนนี้เสร็จนะคนอื่นก็มีดีคล้ายๆ ค, ย ค, ยคนนี้เหมือนกันคนอื่นๆเหล่านั้นเขามีดีอะไรบ้างนึกหาความดีของคนอื่นลักษณะ น, นี้บ่อยๆ จิตขณะนั้นเป็นเมตตาถ้าคนที่สามารถคิดอย่างนี้ได้เป็น 10, 10นาทีหรือได้เป็นชั่วโมงก็สามารถที่จะอบรมเมตตาให้เป็นชั่วโมงเกิดขึ้นได้ชั่วโมงฉะนั้นส่วนนี้นะต้องอาศัยการบ่อยอะบ่อยเข้าว่าถ้าหาว่ากุศลธรรมใดๆก็ตามถ้าเจริญน้อยกุศลธรรมนั้นจะไม่มีมคุณภาพไม่มีกำลัง แต่ถ้าเราสามารถใช้ความคิดในลักษณะนี้บ่อยๆขึ้นเราจะไปลดไอ้ช่องว่างที่มันฟุ้งซ่านที่ไม่เกิดประโยชน์ออกไปนั่นแหละเพราะว่าจิตจะคิดได้ทีละอย่างใช่ไหมถ้ามาคิดเรื่องที่ดีๆมากๆลักษณะนี้แล้ววันนั้นอาจจะหลับอย่างฝันดีด้วยแต่ถ้าคิดนะค้คนโน้นก็นไม่ดีคนนี้ก็ใช้ไม่ได้คนนั้นก็เลวเหลือทนอยเงี้ยทักไม่นานเข้าแต่ที่นอนไม่หลับแล้วก็จะนอนไม่หลับยิ่งๆขึ้นไปอีกนะสุขภาพเสียหมดก็ลองไปลองดูนะครับ ลองคิดดูนะครับอย่างน้อยที่สุดคนที่เลวที่สุดก็ปฏิสนธิจิต ด, ด้วยทวิเหตุครับจะตายถ้าหมดท่าเขาจริงๆนะไอหมอนี่ยังไงยังไงห า, าไม่เจอนี่นะครับใช่ค่ะคือยังไงเขาทุกคนก็มีดีอะ่ะแต่ที่นี่ว่าเราหาความดีเขาไม่เจอถึงเขาไม่บีดีจริงๆนะถ้าเขาตกนรกเราจะว่ายังไงถ้าเกิดนรกตกนรกแล้วถ้าเกิดในชาติต่อๆไปเนะี่ยเขามาเกิดเป็นลูกเป็นหลานเราจะว่ายังไงใช่ไหม คนชั่วๆจริงๆเลยนะเสรรชาติต่อไปมาเกิดเป็นลูกเราอ่ะถามว่าเรารักไหมถ้าลูกเราอะแล้วในสังสารวัตรอันยาวนานที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกันโดยความเป็นที่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นลุงเป็นป้าเป็นหน้าเป็นอาเนี่ยเคยไหมก็ไม่เคยอีกนั่นแหละสรุปแล้วเขาก็มีดีอยู่เหมือนกันถ้าเดตชาติเขาเคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่ของเราอ่ะเขาก็เลี้ยงดูเราอย่างดีมานะใช่ไหมเขาก็เคยช่วยเหลือเกื้อกูลเรามาตั้งเยอะ แต่ว่าความดีเนี่ยถ้าคนที่โทสะเกิดบ่อยๆนะมันนึกไม่เห็นหรอกแต่ถ้าจิตอ่อนระยะหนึ่งเนี่ยแล้วก็เมตตาจะเกิดแล้วก็การเจริญเมตตานี่ไม่ใช่ว่าเราเจริญมากๆแล้วเขาจะมีความสุขอะ่ะคนที่มีความสุขจริงๆคือใครคนเจริญก็คนเจริญนั่นแหละเอ๊ะแล้วเราทำไมจะไปคิดให้มันทุกข์อ่ะเนาะแสดงว่าเรานี่เกลียดตัวเองมากะนะหาเรื่องที่มันเกิดอกุศลให้กับตัวเองบ่อยๆบ่อยๆถานจริงๆอ่ะใครเป็นศัตรูกับใครกันแน่ เตั้งแต่ผมมาศึกษาพระสูตรจากท่านมั่งมนี่นะคระับทให้มองเห็นว่าการเจริญดิปัฒนากับสมถานเนี่ยมันเป็นของควบคู่กันไปตลอดเลยะนะเจ้ท่ามันมันจะเป็นคู่ไปด้วยกันเลยนะเจท้ท่านถ้าหากว่าเราศึกษาเรื่องเมตตาดีๆนะเราเจริญเมตตาไปหาความสุขความเจริญแก่คนคนใดคนหนึ่งป๊บเนี่ยเสร็จนะแล้วเราเนี่ย พลิกอีกอย่างหนึ่งเราไม่คิดเรื่องเมตตาละไปคิดเรื่องวิบากกรร ม, มชรูิของคนนั้นนะไม่คิดเรื่องเมตตาละคิดว่าคนนี้ปฏิสนธิด้วยจิตชนิดใดมาใช่ไห้เขาปฏิสนธิด้วยสมมติมหากุศลดวงที่หนึ่งมหากุศลเหล่านี้นี่มีอะไรเป็นปัจจัยก็เอาปฏิจจส ม, มุปบาทเข้าไปเลยสบายแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจงกรมไม่เสร็จสักทีเลยเนี่ยตั้งอะไรบ้างนาแล้ว